ตอนที่168แฟนคลับคลั่งรักสติหลุดลีหวันกับหยวนเศร้าเหงิงไม่ยืนคู่กันแล้วยังคงมีส่วนต่างความสูงที่เห็นได้ชัดสีรษะของหลีหวันสูงพ้นคางของเขาขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทว่าเมื่อหนุ่มหล่อสาวสวยมายืนเคียงข้างกันเช่นนี้กลับดูเจริญตาเป็นพิเศษจนทําให้ผู้คนเผลอมองข้ามส่วนต่างความสูงนั้นไปโดยไม่รู้ตัวลีหวันไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นสาเหตุหลักเป็นเพราะหยวนเศร้าเหิงนั้นสูงเกินไปต่างหากคู่รักวัยรุ่นเดินจูมือกันในมหาวิทยาลายัยถือเเเปปป็นรรรรรืื่่่่่ออองงกกติธมมมดาไไใใชแลหะ แต่หากหนึ่งในนั้นคือยวนเศ้าเหิงละก็นั้นย่อมไม่ต่างอะไรกับข่าวใหญ่ระดับระเบิดลงหยวนเศร้าเหิงมีภูมิหลังครอบครัวที่ดีหน้าตาหล่อเหลาและที่สำคัญที่สุดคือเขามีความสามารถผู้ชายคุณภาพกับแก้วเช่นเขาย่อมมีนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยแอบปื้นอยู่ไม่น้อยการที่ทั้งสองปรากฏตัวในโรงอาหารอย่างเปิดเผยเช่นนี้ทาให้นักศึกษาหญิงหลายคนที่แอบมอ่ัวใจให้เขาถึงกับใจสลายไปตามๆกัน ที่แค่ฉันรู้สึกว่าพี่จะได้รับความสนใจมากกว่าตอนฉันอยู่ที่มหาวิทยาลัยของตัวเองอีกนันเนี่ยแน่นอนว่าหลี่วันอยู่ที่มหาวิทยาลัยการแพทย์นั้นส่วนใหญ่จะมีแต่ข่าวในเชิงลบแต่หยวนเซ้าเหิงนั้นต่างออกไปสายตาเป็นศัตรูที่มองตรงมาส่วนใหญ่มักมาจากเหล่านักศึกษาหญิงหลี่วันขยับเข้าไปกระซิบที่ข้างหูของหยวนเซ้าเหงิงแต่ด้วยส่วนต่างความสูงเวลาพูดนางจึงต้องเขย่งปลายเท้าขึ้นเล็กน้อยหยวนเซ้าเหงิงจึงโน้มตัวลงมาฟังนางพูดโดยตรงการกระทำของทั้งคู่ในสายตาคนอื่นยิ่งดูสนสนนนิมกัเข้าไปใหญ่ พวกเขาอยากมองก็ปล่อยให้มองไปเถอะยหยวนเศ้าเหิงยิ้มอย่างเอ็นดูผมว่าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันให้พวกเขารู้ว่าตอนนี้ยอดแย่ต้นนี้มีเจ้าของแล้วต่อไปจะได้ไม่มีใครกล้ามาหมายปองอีกช่วยลดความวุ่นวายไปได้เยอะเลยหลีหวานรู้สึกว่าที่เขาพูดมามันก็มีเหตุผลอย่างประหลาด ยนเศร้าเหิงเดินไปที่ร้านค้าในโรงอาหารเพื่อสั่งอาหารไม่กี่อย่างที่หลีหวานชอบกินนิสัยการกินมื้อเช้าของทั้งสองคนในตอนนี้ไม่ต่างจากตอนอยู่ที่บ้านนักไข่ไก่เป็นของที่ขาดไม่ได้สำหรับมื้อเช้าเพียงแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากไข่ต้มธรรมดามาเป็นไข่ต้มใบชาเพราะมีรสชาติมากกว่าจึงอร่อยกว่าเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีน้ำเต้าหู้และเสี่ยวหลงเปาตอนเช้าหลีหวานกินได้ไม่มากนะักส่วนที่เหลือยนเศร้าเหงิงจึงเป็นคนจัด ก, การจนหมดว้าวผู้หญิงคนนั้นคงไม่ใช่แฟนของยนเศร้าเหิงหรอกนะดูเด็กจังเลย เป็นไปได้ไหมว่านางยังเด็กจริงๆดูเหมือนจะไม่ใช่คนในมหาวิทยาลัยเราด้วยได้ยินมาว่าเมื่อคืนนางพักอยู่ที่หอพักของหยวนเซ้าเหิงเลยนะหาต่อให้ทั้งคู่จะเป็นแฟนกันแต่มาพักอยู่ด้วยกันตอนนี้มันไม่ค่อยเหมาะสมมัง้งยิ่งที่นี้เป็นโรงเรียนด้วยส่งผลกระทบไม่ดีเลยไม่ได้พักห้องเดียวกันแน่นอนหยวนเซ้าเหิงไปนอนห้องอื่นแฟนฉันได้ยินเขาเถียงเ อ, อ่ยยอมรับกับหูเลยว่าแม่สาวน้อยคนนี้คือแฟนของเขา ทางด้านนี้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารดูไม่ค่อยดีนักนักศึกษาหญิงสองคนกระซิบประซาบปิจารณ์กันไม่เห็นเซียเมิวอวิ๋นที่นั่งอยู่ข้างๆนิ่งเงียบไปจึงอดไม่ได้ที่จะสะกิดแขนของนางเธอคิดว่ายังไงล่ะเซียเมีิวอวิ๋นและสายตา ก, กลับมาน้ำเสียงราบเรียบอาจจะเป็นแค่น้องสาวที่สนิทกันก็ได้พวกเราอย่ามาพูดจาร้าสาระให้ร้ายคนอื่นที่นี่เลยไม่มีทางเป็นน้องสาวหรอกยวนเซร้าเฮงยอมรับออกมาจากปากเองเลยนะเธอได้ยินเขาพูดเหรอน้ำเสียงของเซียมยวอวิ๋นเริ่มสแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจน นักศึกษาหญิงที่นั่งตรงข้ามกับนางไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแต่เบ้ปากด้วยความไม่พอใจเมี่ยวอวิน๋นจริงๆฉันว่าถ้าเทียบกันแล้วเธอต้องสวยกว่นาเยนั่นแน่นอนหยนเศร้าหึงตาถั่วชัดๆถ้าฉันเป็นผู้ชายนะฉันต้องเลือกแฟนแบบเธอแน่นอนอีกคนพูดขึ้นเพื่อทำลายบรรยากาศที่ตึงเครียดแต่สีหน้าของเซียวเมี่ยวอวิ๋นยังคงแย่ถึงขีดสุดมื้อเช้าแท้ๆกินข้าวกันไม่สงบสุขเลยไม่กินแล้วพวกเธอกินกันไปเถอะอ้าวพวกเราพูดอะไรผิดไปทําให้เยน่นโกรธอีกเนี่ย วันๆเอาแต่ทำนิสัยเสียแบบนี้ทำไมพวกเราต้องคอยง้อด้วยเธอยินจะถามอีกว่าพูดผิดตรงไหนนี่เธอไม่รู้หรอว่าเมี่ยวอวินชอบหยวนเซ้าเหงิงชอบก็ชอบไปสิตอนนี้เขามีแฟนแล้วนางจะไปพรากเขาออกมาได้หรือไงเลิกกินก่อนเถอะเมี่ยวอวินไม่พอใจแล้วพวกเราต้องรีบไปงอานางกลับมาทำไมต้องง้อด้วย ก็พราะพ่อของนางเปิดบริษัทไงละไม่แน่ว่าหลังจากพวกเราเรียนจบอาจจะต้องไปพึ่งพาเมียวอวิ๋นก็ได้ก็ได้ถ้าเป็นเพราะเหตุผลนี้จะยอมง้อก็ได้เหล่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยการเงินเมืองจริงในอนาคตต้องคลุกคลีกับการทําธุรกิจสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่มดีกว่ามหาวิทยาลัยการแพทย์จริงๆหลีหวันเดินเที่ยว อ, อยู่ทั้งเช้าแต่ก็ยังเดินไม่ทั่วจนเริ่มรู้สึกปวดเมื่อยที่น้องพี่ข้าพอเถอะข้าไว้มีโอกาสค่อยมาเดินใหม่พวกเราไปหาที่กินข้าวกันดีกว่า อาหารที่กินไปเมื่อเช้าย่อยหมดเกลี้ยงแล้วตกลงหยวนเศร้าเฮงเห็นนางเหนื่อยจึงเดินไปหยุดตรงหน้านางแล้วย่อตัวลงมาผมจะแบกคุณเองไม่ต้องคะเดินเป็นเพื่อนฉันมาตั้งนานที่ไม่เหนื่อยบ้างหรอลูกผู้ชายไม่พูดว่าเหนื่อยหรอกนี่มันตันกับประหลาดอะไรอีกเนี่ยหลีวันดึงเขาให้ลุกขึ้นที่ค้พี่คิดว่าเรื่องของพวกเราควรบอกที่บ้านเมื่อไหรด่ดีที่แค่โปรยโปยกับที่บ้านว่าชอบฉันพี่ว่าพวกเขาจะคิดยังไงจะคิดยังไงได้ละ่ะ ถ้าเป็นคุณปู่คุณย่าคงจะดีใจมากแน่นอนส่วนอสองคงจะคิดว่าอย่างน้อยลูกสาวสุดที่รักของเขาก็ไม่ต้องแต่งงานไปไกลบ้านส่วนอสไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันหยวนเศร้าเหิงยิ้มมีอะไรน่าอายที่จะพูดละ่ะไว้คราวหน้าผมจะบอกพวกเขาเองคุณไม่ต้องกังวลอย่าเพิ่งเลยแค่ฉันว่าเรื่องนี้อย่าเพิ่งบอกพวกเขาเลยให้ฉันได้ตั้งตัวก่อนได้ตามใจคุณเศร้าเหงิง ในที่สุดฉันก็หาตัวนายเจอสาสตราจารย์ให้ในายไปพบเดี๋ยวนี้เลยบอกว่าวิทยานิพนธ์ของนายมีปัญหานิดหน่อยทั้งสองคนยังไม่ทันจะได้ไปกินข้าวหยวนเศร้าเหิงก็ถูกเพื่อนนักศึกษาเรียกตัวไปเสียก่อนหยวนเศร้าเหิงบอกให้หลีหว่านไปรอที่หอพักก่อนรอให้เขาจัดการธุระเสร็จแล้วค่อยไปกินข้าวด้วยกันเขาจะรีบกลับมาหลีหว่านเดินมุ่งหน้าไปยังหอพักเพียงลำพังในขณะที่นางกำลังจะเดินไปถึงก็ถูกใครบางคนขวางทางไว้กระทันหันเธอคือน้องสาวของเศร้าเหิงใช่ไหม หลี่หวานมองนักศึกษาหญิงที่จูจๆก็โผล่มาคนนี้สายตากวดมองตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยสัญชาตญาณของผู้หญิงนางรู้สึกว่าคนคนนี้ต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่ตามจีบหยวนเศร้าเหิงอย่างแน่นอนไม่ใช่คะ่ะน้ำเสียงของหลี่หวานเย็นชาเรื่องนี้คงไม่เกี่ยวกับคุณมั้งคะแน่นอนว่าไม่เกี่ยวกับฉันแต่ฉันได้ยินมาว่าเมื่อคือนเธอพักอยู่ที่นี่เป็นเด็กเป็นเล็กทำไมถึงได้หน้าไม่อายขนาดนี้คําพูดของหญิงตรงหน้าช่างหยาบคายหลี่หวานสัมผัสได้ถึงอารมณ์โกรธแค้นที่แฝงอยู่ในคําพูดนั้น อุตสาได้รับการศึกษาระดับสูงมาแท้ๆไม่นึกเลยว่าป่าจะสกปรกขนาดนี้ลิวานต่อกลับไปอย่างไม่เกรงใจก็ยังดีกว่าเธอหน้าอกของเซียวเมียวอวินกระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรงด้วยความโกรธต่อให้เธอจะไม่ห่วงชื่อเสียงของตัวเองก็ควรจะห่วงชื่อเสียงของเส้าเหิงบ้างไหมเธอหน้าไม่อายแต่เขายังต้องรักษาหน้าอยู่นะถ้าเธอขืนทําลายอนาคตของเขาละก็ฉันไม่เอาเธอไว้แน่เขาเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยหรอคะ หลหวานมองว่านางกำลังหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเพิ่งจะชัดเจนได้ไม่นานก็มีแฟนคลับที่แอบชอบหยวนเศร้าเหิงถึงกับสติหลุดเสียแล้วดูท่าว่าพี่ชายของนางจะได้รับความนิยมในมหาวิทยาลัยมากกว่าที่นางจินตนาการไว้เสียอีก